พันเตนาขาเสนาะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าหน้ า, าเกษณ์ผู้เจริญคำกล่าวว่ากระดูกยาวร้อยโยต์แต่ต้นไม้นี้ยาวได้ร้อยโยต์มีอยู่โยมจะถามพระผู้เป็นเจ้ากระดูกยาวร้อยโยต์มีอยู่ที่ไหนพระผู้เป็นเจ้าจงวิสัชนาไปก่อนพระหน้ า, าเกษณ์ถวายพระพรว่ามหาราชะดูกระบ่อพิษพระราชสมผาน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 กันโลสิสทุสะพระผู้เป็นเจ้ากล่าวนี้สมควรแล้วทีคะอธิกะปัญหาเป็นคำรบสิบสองจบเท่านี้